บุ๊ก <Book> 2สิบเดซิเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ tra เมื่อวานเป็นวันเสาร์เมื่อวานผมไปดูหนัง Včera jsem byl v Kině. Šáh n s o n ě a j Ten film byl zajímavý. Včera j e n ě š n n ě ž j e n byl zajímavý. d n e r a jsem byl v k n ě š á n a š n a j Ten film a j í m a j s b v i á n z ů s t a t n u d o m a พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ Зітра є п о н е д і พรุ่งนี้ผมไปทำงานอีก Зітра засерпрацює ผมทำงานที่สำนักงาน Працює в к а н ц е л я р คนนั้นคือใคร г е й คนนั้นคือปีเตอร์ To je p e ปีเตอร์เป็นนักศึกษาคนนั้นคือใคร Kdo je t ตคนนั้นคือมาตาตัมาตามาต a เป็นเลขานุกรานมาตา a ปีเตอร์และมาตาเป็นเพื่อนกัน Peter Pet a ปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาตามาตาเป็นเพื่อนของปีเตอร์คกรุณาไปที่